บิสมิลลาฮิ р rahman р r h i m الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد أصنا مع لكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติ ความจำเริญจากอัลลอฮฺได้โปรดประสบเดี๋ยพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัอซีดในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกๆุกท่านนะครับมีความสุขที่ได้กลับมาทาหน้าที่นะครับเว้นเงินไปนานนะครับเนื้อหาของวิชาตัอซีดเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องหยิบก็อ่านขึ้นมาหัวใหญ่อ่ะนะ ตอนนี้เราถึงสวตตุอิสระอายะที่ยี่สิบหถึงอายะที่สามสิบเราเรียนกันได้เยอะนะครึ่งเล่มา น, นะนะครับอายะที่ยี่สิหกถึงอายะที่สามสิบสุตตุอิสระเิ่มต้นตั้งแต่พี่น้องฟาติฮบาาะบักรราะสามอายะอายะไล่กันมาเลยพี่นออ้องเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีกันนะผมน้ำๆดูเนี่ยตอนแผมเรียนหนังสือไม่จบเนี่ยนะครับ มีความสุขนะครับที่ได้สอนแะล้วก็โดยวิถีชีวิตปกติเนี่ยก็อ่านเราได้อ่านอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยอ่านวันละหนึ่งหน้าอ่านไม่เยอะหรอกแต่ว่าพยายามบังคับให้อ่านทุกวันแต่กา น, นี้เวลาที่จะมาศึกษาตับซีดดูความมายัางลึกซึ้งเนีพี่น้องถ้ามาเด้สอนมาเด้คุณควา้า เะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่พี่น้องได้อย่างเดียวผมก็ได้ได้เยอะด้วยโดยคนคว้าได้อ่านอทำดีละนะครับให้มีการสอบท็อปซีนที่เกิดขึ้นเนื้อหาในวันนี้พี่น้องเวลาเรียนท็อปซีดเนี่ยนะครับมันจะมีจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาครั้งนี้กับเนื้อหาครั้งที่แล้วบางทีก็เชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาในครั้งหน้าเลยในครั้งที่แล้วแต่พี่น้องยังไม่ลืมในะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย จุดเชื่อมโยกก็คือคำสั่งของลอที่บอกว่าวกกอดรอบบุก้าพระเจ้าของท่านเนี่ยสั่งใช้อะไรบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วสั่งไปสองอย่างจำได้ไม่เอ่ยอย่างที่หนึ่งอย่าตั้งพาคีต่อลอเป็นเตาฮิตหลักการพื้นฐานในอิสลามเลยพี่น้องครับไม่ยอมรับปณีปนอมกับ การมีเจ้าอื่นนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เป็นจุดเด่นของอิสลามเลยพี่น้องได้หลายความเชื่อในโลกนี้เนะีพี่น้องประนีประนอมให้มีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นหลายที่พระเจ้าสูงสุดอาจจะมีก็ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัตถุอยู่ในวิญญาณบรพระบาทอยู่ในท้องที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆ เขามองไม่เสียหายเจ้าองค์ใหญ่ก็มีคันนี้เจ้าองค์เล็กที่มีความใกล้ชิดมากกว่าเป็นปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราเป็นลูกหลานมีความใกล้ชิดมากกว่าก็ขอความช่วยเหลือหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอํานาจตรงนั้นอยู่ในวัตถุเราเมาแขวนที่คอมันเหน็บที่เอวมันก็ช่วยเหลือเราได้มั่นใจกว่าเพราะว่าเจ้าองค์ใหญ่เนี่ยเป็นนามนธรรมจำต้องไม่ได้แต่วัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างกาย บางทีก็สักที่ผิวหนังบางทีก็ฝังเข้าไปนะในหลายๆความเชื่อประณีประนอมให้มีอำนาจเนี่ยหลายอำนาจอำนาจที่กำหนดให้มีความสุขให้มีความทุกข์ให้ค้าขายได้กำไรนะครับปกป้องคุ้มครองจากเพศภัยต่างๆยอมให้มีอำนาจแบบนี้เกิดขึ้นแต่ในอิสลามไม่มี อันนี้เป็นข้อตรองพื้นฐานเลยครับว่าในอิสลามเนี่ยไม่ไปนิพนอมต่อเจ้าองค์อื่นนอกจากอัลลอฮอันยศศาสนาของศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวนะครับคำสั่งต่อมาว่าก็ดอรับกูก้าคำสั่งต่อมาในสัปดาห์ที่แล้วคือให้ทำความดีต่อบิดามารดา ครั้งีแล้วก็ศึกษากันเห็นความแตกต่างนะครับถ้าบิดามดารดาต้องการเอี้ยซานปฏิบัติดีด้วยถ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอิบาดาไม่ต้องสลามกันไม่ต้องเอี้ยซานไม่ต้องทําความดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเช่นการเอาอาหารไปถวายการอะไรแบบนี้นะครับพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการต้องการแค่อิบาดาในขณะเดียวกันก็อย่านำการอิบาดามาไว้กับพ่อแม่นาะง ก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่ต้องการเอื้อซานการปฏิบัติดีด้วยแต่พระผู้เป็าต้องการการอิบาร์ดะอันนั้นคือเนะะื้อหาของของสัปดาห์ที่แล้วมาดูในสัปดาห์นี้ครับ อ, อัลลอฮ์วกะดอฮับลูกาคับไปที่คําสั่งเดิมอลัลลอฮ์สั่งใช้อะไรบ้างเพิ่มมาหนึ่งย่าตั้งภาคีสองทำดีต่อพ่อแม่ วันนี้ประเด็นที่สามครับวาอาตีดันกกบาฮักกะหูให้ผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดฮักกะหูสิทธิของเขาวันนิสกีหน้าสิทธิต์ตรงนี้เนี่ยก็ให้กับคนจนด้วยวับนัสบิลแล้วก็ให้กับผู้ที่เดินทาง สั่งเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วรองลงมาคือสั่งกับพ่อแม่ต่อมาก็อ่านบอกว่ามีคนที่สามจำพวกมาอาจจะมีเย ก, กว่านี้แต่ว่าในคาสั่งนี้มีสามจำพวกเขามีสิทธิของเขาให้สิทธิให้สิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสิทธิที่เขาพึงมีคนสามจำพวกมีใครบ้างหนึ่งคือดัานรุปบาคนที่เป็นญาติใกล้ชิด พิพาณาอาเนี่ยแหละนะครับสองวันมิสกีนคนที่ยากจนสามวันนั ส, สบิลผู้ที่เดินทางเวลาตุบัณฑิตตับดีรอและยาสุรุยสุไรายาันนี้เรามาดูครับว่าสามองค์นี้เนะี่ยมีความสำคัญยังไงอันกุรอานจึงกำชับว่านี่คือคำสั่งอง่อนละ่อหนา สำคัญไม่สําคัญนะพูดถึงเตาฮีตอิบาร์ตอ่อนร้อนนี่สําคัญที่สุดแล้วพ่อแม่เนี่ยสําคัญมากหลังจากนั้นก็มาพูดถึงคนสามกลุ่มนี้ฉะนั้นคนสามกลุ่มนี้ครับเป็นคนที่เราต้องให้ความสําคัญคนที่เป็นญาติใกล้ชิดพี่น้องคนที่เป็นญาติกันเนี่ยนะมีสิทธิของเขานะครับบางทีเนี่ยเราเอา หน้าที่ที่เป็นวายิปของเราเนี่ยไปให้เขาได้เช่นสัการสัการให้ญาติได้มีน้องครับสักการให้ลูกไม่ได้นะคือคนที่เราต้องจำเป็นต้องเลี้ยงดูจายน้าพอก็อยู่แล้วเนี่ยเอาสักกาดไวให้ไม่ได้ผมมีสักการให้ใครให้ลูกสบายเลยนะครับมีเงินให้ลูกมีสักการให้ลูกกวนอยู่งั้นไม่ได้คนที่เราไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรงเนี ller, well ่ยสัการให้ภรรยาแบบเนี้ยนะครับไม่ได้ นะแต่บางีมีประเด็นถกเถียงกันมาแก็พยายามให้สามีได้ไหมอ่ะไอ้ป็นประเด็นหนึ่งแต่คนที่เรามีหน้าที่ต้อง จ, จ่ายสกาดเอ้ยต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ส ก, กาดอีกไม่ได้นะคราวนี้ญาติใกล้ชิดเนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าหน้าที่ต้องจ่ายนะสกอ๊อชนะนั้นสา ก, กาัอดสกอ๊ะหรือว่าทานต่นางๆที่น้องครับให้ญาติได้สนับสนุนด้วย เพราะว่าเวลาได้ความดีแล้วเนะี่ยได้ความดีสองต่อต่อที่หนึ่งคือเราได้บริจาคให้สักการให้สต๊อกอประการที่สองเราทําดีต่อเครือญาติเป็นศิร์สิรตุลตราธิมการติดต่อเครือญาติได้บุญสองต่อพี่น้องครับเครือญาติเนี่ยบางทีเราทักทายทําดีด้วยแต่ถ้าเราให้ความช่วยเหลือด้วยพี่น้องครับได้บุญละบุญเครือญาติอย่ามองข้าม นะจะเห็นได้ว่าตัวอา่าจเนี่ยต้องการสร้างสังคมขึ้นมาพี่น้องครับสังคมจะอยู่ได้ทำไมเอ่ยครอบครัวสถาบันครอบครัวต้องมีความเข้มแข็งฉะนั้นในสัปดาห์ที่แล้วก็วอา่านฉึนใช้คำว่าความเมตตาระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่เล็ก มีความเมตตาดูแลกันในขนาดเดียวกันยามที่พ่อแม่สูงวัยมีอายุมากขึ้นลูกก็ทำดีต่อพ่อแม่เป็นความเมตตาในครอบครัวสถาบันครอบครัวจะมีความเข้มแข็งพี่น้องเวลาที่เราพูดว่าเด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นมีปัญหาครอบครัวคำพูดแบบนี้เราได้ยินบ่อยพี่น้องแต่ถ้าเอามาคิดดีๆเนะี่ยมันมีความสาคัญมาก นะเด็กที่ทําไมต้องออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านแล้วไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนเพื่อนๆพนําไปจะผิด จ, จะถูกกันําไปนะครอบครัวเขากลับมาที่ครอบครัวแล้วครอบครัวเนี่ยน่าอยู่สําหรับเขาไหมกลับมาแล้วไม่เจอใครเลยกลับมาแล้วเดาเลยเลยว่าเย็นนี้พ่อแม่ต้องทะเลาะ ก, กันเพราะอะไรล่ะก็ทะเลาะ ก, กันทุกวันกลับมาแล้วเนี่ย บ้านไม่อบอุ่นอย่าจะนอนแล้วก็ให้มันเช้าไวๆจะได้ออกจากบ้านไปเจอเพื่อนไปเจอแฟนไปเจอคนที่สบายใจอย่าให้บ้านเป็นแบบนั้นกุอ่านจึงบอกว่าระหว่างพ่อกับแม่ใครจะเด็กใครจะแก่อย่างไรก็แล้วแต่ให้ทำดีต่อกันให้พูดดีต่อกันประการที่สองขางยายออกมานะครับนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ย เคยญาติก็เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดคนมีน้องสัมพันธ์กันเนี่ยหลักๆสองแบบหนึ่งสัมพันธ์กันโดยสายเลือดผมเกิดมาเนี่ยเลือกไม่ได้นะมีพี่แล้วน้องเกิดมามันก็เลือกไม่ได้มันเป็นน้องผมเพาใจว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอัตโนมัติอันนี้คือความสัมพันธ์ด้านสายเลือดประการที่สองสัมพันธ์โดยการแต่งงาน เรากับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันหรอกแต่ตอนนี้เหมือนกับญาติกันแล้วเพราะอะไรครับไปแต่งกับหลานสาวเขาไปแต่งงานกับลูกสาวเขามมันก็กระชับความสัมพันธ์กันก็อานให้ความสัมพันธ์ครับสนใจความสัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ได้มองว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างเดียวแต่มองว่าเคยญาติใกล้ชิดน้องของม่อพี่ของพ่อ ผีของแฟนญาติของแฟนกระชับความสัมพันธ์กันอามิลลาห์นะครับในสังคมมุสลิมปกติเนี่ยเรามีกลไกที่จะกระชับความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แล้วเช่นแต่งงานเราก็ไปช่วยงานนะใส่ซอมมงบ้างพละกรานที่ช่วยล้างจานขันหม้อด้วยตอนนี้ไม่ค่ยมีจ้างกันหมดแล้วนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ไปไปสาลามกันไปเยี่ยมกันเครือญาติมีความสําคัญดี่นาะครับ อย่าละทิ้งคือยากฉะนั้นเวลาที่จะทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องต้องคิดดีๆนะทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยทะเลาะแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราไม่ทะเลาะมันดีที่สุดเลยแต่คือญาติอย่าทะเลาะทะเลาะแล้วดีกันยากเพราะอะไรเหรอพอเป็นญาติกันแล้วเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลเขาเขาก็รู้ข้อมูลเราเวลาด่ากันเนี่ยมันเจ็บพี่น้องมันขุดกันได้ง่ายเพราะรู้การรู้จักกันไงแต่คนอื่นเนี่ย มันไม่ขนาดนี้เขื่อญาติอย่าทะเลาะทะเลาะแล้วดีกันยากอย่าทะเ ล, ะะเ ล, ะล า, า ะ, เละนะครับแล้วก็เป็นคําสั่งก็อา่านด้วยว่าให้ทําดีต่อต่อเขือญาติให้สิทธิกับเขานะต่อมาก็คนประเภที่สองคนมิสกีนคนที่ยากจนคนที่ยากจนมีสิทธิครับมีสิทธิในส ก, การเป็นวายิบนะครับต้องให้คนยากจน มีซดดอกก้อด้วยปะกาศจ่ายไปแล้วแต่เราเนี่ยอยากจะทําความดีเพิ่มเติมไม่ได้บังคับเป็นภาคสมัครใจสามารถให้ซดดอกก้อกับคนยากคนจนได้ให้ไปแล้วเนี่ยที่บ้านมัสมันได้มาสองถุงเรากับครอบครัวกินยังไงแค่ถุงเดียวอีกถุงเหลือทาไงละ่ะให้ก็ดีกว่าพี่น้องเก็บไว้ตู้เย็นเนี่ยเน่า มาลองใครผมเนี่ยครับบางทีคุยตู้เย็นออกมาเอา้าแกงไปอยู่มุมนู้นลืมไปแล้วว่าให้มาลืมมาดูวิธีกินไม่ได้นะแทนที่ว่าเราเนี่ยจะดูอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ให้ได้อันนี้ไม่ใจะสระกอ้อมันจะส ก, กาดเป็นที่บ้าให้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ง่ายๆครับพี่น้องวันนี้กลับไปเปิดตู้เย็นตัวเองเลยครับอย่าคิดว่าฉันน่านจะกินไม่ได้กินหรอกนะครับไอคอนที่ว่าเอ๊ะน่านจะได้กินยังไม่ได้กินนะครับเอาออกมา นะครับแจกจ่ายให้กับคนในทุกชุมชนพี่น้องมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะทุกบ้านมีเพื่อนบ้านให้กันได้คนยากจนมีสิทธิต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีความพร้อมคำถามในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ให้สิทธิกับคนยากจนจะเกิดอะไรขึ้นคำถามตั้งคำถามง่าย จนกระจนไปฉันไม่ได้จนเนี่ยฉันจะไม่ให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะไอเรื่องบาปใ น, นประเด็นหนึงเอาอ น, นิสาสอยู่แล้วในทางสังคมถ้าคนที่ยากจนไม่ได้รับความช่วยเหลือจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันตัดไม่ขาดพี่น้องครับ ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเองยังกลับมามองประเด็นความเหลื่อมล้ําความเหลื่อมล้ำหมายความว่าไอ้คนที่มีมันก็มีไปใหญ่เลยไอ้คนที่จนก็จนอย่างนั้นน่ะเงยตาไม่ขึ้นนะดีเงยหน้าไม่ขึ้นพ่อก็จนรุ่นลูกจนกว่าเดิมอีกลุ่นหลานเป็นนี่เป็นสินจนกว่าเดิมอีกอา้าวไอ้คนที่มีตังกลุ่นพ่อแบบนี้รุ่นลูกรวยไปอีกมันเหลื่อมล้ํากันเป็นปัญหาสังคม ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่มันสะท้อนปัญหาสังคมออกมาเวลามีการประท้วงพี่น้องเวลามันมีความพอไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความไม่เท่ากันตรงนี้แหละเป็นปัญหาสังคมในบางเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์พี่น้องมีการปฏิวัติกันเลยชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนไม่พอใจชนชัน้นปกครองปฏิวัติกันเลยพี่น้องเข็นฆ่ า, ากันมีความสูญเสียชีวิตทรัพย์สิสน เสียหายไปเยอะเราคิดว่าเรามีตังเนี่ยเราไม่สนคนจนเลยวปนอนคิดว่าจะพ้นไม่พ้นครับสังคมมันมีปัญหานะปัจจุบันเนี่ยเขาถึงให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนไม่เหลื่อมล้ากันคนจนเน่ยมันห้ามไม่ได้คนรวยก็ห้ามไม่ได้แต่อย่างน้อยอย่าหางกันขนาด น, นั้น ไม่ใช่คนรวยห้าปอร์เซ็นื้อครองทรัพย์สินในประเทศเกินครึ่งหนึ่งอีกเก้าปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคนจนๆก็ไป็นแบ่งกันแบบนั้นไม่ใช่นะคนยากคนจนมีปัญหาเหมือนกันแต่พี่น้องกลับไปมองในอดีตเนี่ยทฤษฎีทุนนิยมพูดแบบนี้บางทีฟังยากจริงๆไม่ยากเรานะครับเขามองว่าเออคนที่ทำใช้รายงานเนี่ยพี่น้องเหนื่อยมาก ทำโอทีนอนน้อยแต่ค่าไรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันไม่สมควรกับสิ่งที่เขาจ่ายไปเขาเหนื่อยขนาดนี้ทำไมได้ไรายได้แค่นี้ล่ะทั้งทั้งที่ตัวสินค้ามันขายได้เยอะส่วนเกินที่ได้มาก็ไปอยู่กับคนที่มีทรัพย์สินเห็นไหมไม่เท่ากันก็มีแนวะความคิดว่าทรัพย์สินที่มียึดมาให้หมดให้เป็นส่วนกลางแล้วก็แบ่งให้มันเท่าเท่ากันก็เป็นแนวะความคิดแบบสังคมนิยม นะในความคิดแบบนี้เกิดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะในสังคมมันเข้าม้อมันไม่เท่ากันอันนี้ผมไม่ได้พูดอันไหนผิดไหนถูกนะแต่อธิบายฟังฉะนั้นคนยากคนจนมีสิทธิครับถ้าเราไม่ดูแลนอกจอากอัลลอฮฺสอบสวนแล้วนํามาสู่ปัญหาสังคมนํามาสู่ปัญหาสังคมถามว่าถ้าคนยากคนจนเนี่ยถ้ามีชี้นที่ดีขึ้นใครได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นง่ายๆผมขายเกแกงรีอนอง สมมุตินะจริงมันได้ขายขายข้าวแกงนะครับลูกค้าที่มาซื้อข้าวแกงผมเนี่ยรายได้ดีเขาได้เนี่ยส่งผลนะถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจดีเขารายได้ดีข้าวแกงที่มาซื้อกับผมเนี่ยบางทีอาจจะสั่งเพิ่ม จากกับอย่างการเป็นกับสองอย่างกับสองอย่างไม่พอมีไข่ดาวโปกอีกไม่พอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหรอมาซื้อไปฝากคนแต่ถ้าลูกค้ารายได้จนลงพี่น้องผมก็ขายของให้น้องน้อยลงเกี่ยวพันในสังคมหมดแหละเราขายของขายเสื้อขายผ้าเนี่ยตอนเศรษฐกิจดีวันอีนเนี่ยพี่น้องสั่งมาขายไม่ทันพะคนเศรษฐกิจดีคนมีกําลังซื้อนะซื้อของเยอะเราเป็นพ่อค้ามีความสุข แต่ถ้าว่าในสังคมมีแต่คนยากคนจนกําลังซื้อน้อยเสื้อผ้าที่สั่งมารเราก็ขายไม่ได้รายได้เราก็ได้น้อยฉะนั้นลักษณะแบบนี้พี่นอ้องสังคมมันพึน่งพากันหมดความจนเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาของไอ้คนที่จนนะความยากจนเป็นปัญหาของทั้งสังคมเป็นปัญหาของประเทศ ก็ถึงชูธงว่าจะขจัดความยากจนต้องทํำยังไงนะประเภทต่อมาครับวับนัสบีลผู้ที่เดินทางผู้ที่เดินทางในอิสลามสั่งให้ทําดีกับเขาเช่นทาดีด้วยการเซอร์ดะก็ผู้ที่เดินทางที่บ้านเขาจําดีไม่มีไม่รู้แหละ แต่ในสถานะปัจจุบันที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเป็นคนต่างถินเขาเป็นผู้ที่เดินทางให้ทําดีต่อเขาให้สตะก้อดได้แล้วก็ให้สียาฟะให้การต้อนนะครับให้การต้อนรับผู้ทีดด่เดินทางภาพที่พี่น้องนึกเนี่ยมันไม่ใช่สมัยอดีตแล้วขี่อูดมาหากันไม่ใช่แล้วสมัยนี้เนี่ยนะครับ ผู้เดินทางเต็มไปหมดพี่น้องหน้ารามเนี่ยเป็นถิ่นของผู้เดินทางเลยนักศึกษาที่มาศึกษาคนที่ทําขึ้นมาทํามาหากินเนี่ยในเขตกรุงเทพเต็มไปหมดกรุงเทพไปเมืองหลวงพี่น้องคนมุ่งหน้าเขามาหาโอกาสในชีวิตมีผู้เดินทางเต็มไปหมดพี่น้องแล้วถ้าคนคนหนึ่งมีสามแบบนี่เลยพี่น้องเป็นญาติด้วย จนด้วยและเป็นผู้เดินทางโดยพี่น้องยิ่งจำเป็นต้องช่วยเหลือใหญ่เลยมีไม่เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ครับยาตเราที่จนมีไม่มีก่อนจะไปช่วยคนจนคนอื่นพี่น้องครับช่วยคนจนที่เป็นญาติก่อนนะเวลาตัวบัติทัปปะีรอและยาสุรุิสุไยทัปปะตบบีในความหมายเดียวกับอิสรา นะจ่ายแต่ว่าใช้จ่ายเกินไปไม่มีความจําเป็นก็มีความใช้จ่ายใช้เงินเกินตัวก็อ่านเนี่ยนะครับคำขยัตํ า, าตหนินาะการซูยุร่าเนี่ยใช้สํานวนที่หนักมากถึงขนาดบอกว่าอนิน น, น, าานั่นมุบัติรีนการูอิกวานาชยาลปีนบอกเลยว่าคนที่ใช้จ่ายเกินตัวซูรุรา่าอิฟุ่มเฟือยเนี่ยเป็นที่น้องกับชัยตอน พี่น้องในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชัยตอนเนี่ยเกิดมาจากท้องมะเราเกิดตามมาใช่แบบนั้นเป็นสำนวนเปรียบเทียบไม่ใช่แค่เป็นพวกชัยตอนนะแต่ใช้คำตาหนิที่หนักกว่านั้นเป็นพี่น้องกับชัยตอนปกติเวลาเข้าตำหนิเนี่ยทำแบบนี้ไม่ดีเราเป็นพวกชัยตอนนั่งกับําหนิหนัก น, น, นะเป็นพวกชัยตอน เ, นเป็นเปไดไงพวกชัยตอนเพราะว่าวาการนั้นชัยตอนนู่นทไมดิบรบีฮีกูกฟุรา เพราะชัยตอนไม่ผู้ปฏิเสธอเล่เาเราเป็นพวกกับชัยตอนไม่ได้แต่อยาย่นี้ใช้คำว่าเป็นพี่น้องกับชัยตอนหนักมากพี่น้องครับคำถามเกิดขึ้นคนมือบัตรเนี่ยพี่น้องใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยหนักหัวใครทำไมต้องว่าขนาดนี้เอาแต่ต้องถามพื้นๆเนี่ยคือฉันมีทรัพย์สินแล้วฉันก็ใช้จ่าย แล้วกับเงินฉันไม่ได้ปนใครแล้วมันยังไงทำไมทำไมต้องต้องหนักขนาดนี้เออทำไมต้องตั่งคำถามตัวอย่างนี่พี่น้องเวลาใช้จ่ายเกินไปมันมีฮักฮักคือสิทธิของมันคือความเหมาะสมแต่ถ้าจ่ายน้อยไปเนี่ย เป็นชูช้คูู้คู่ความตะนีถูกตั้งคําถามแล้วเรามีลูกมีเมียเนี่ย น, น, นะครับสมควรจะรับการเลี้ยงดูแบบนี้แต่เราให้น้อยกว่าที่สมควรถือเป็นความตะณีบางไม่บางอีแบบหนึ่งครับให้มากเกินไปเป็น เ, นเป็นอิสราฟเป็นตั บ, บริดสบังไม่บางให้ให้พอดีพอดีให้น้อยเนี่ยเข้าใจข้อเสียคือมันขาดมันไม่พอให้เยอะเกินไป มันผิดตรงไหนสังคมจะมีปัญหาอย่างไงนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วปัจจุบันปัญหาก็จะมีอยู่ก็คือประเทศเวเนซุเอลาเคยดูข่าวมะ้งเวเนซุเอลาจะอยู่ที่ไหนอยู่เมกกาใต้นะนางงามจักรวาลนะพี่น้องเวเนยได้เยอะคนเวเนยเป็นคนสวยผมก็ไม่เคยมีเพื่อนหรอกแต่ว่าเห็นก็ได้นางงามจักรวาลหลายรอบแล้ว นะครับคีนน้เวเนซุเอล่าเนี่ยนักมวยก็ดังกันนะถ้าพี่น้องดูข่าวมีการอพยพของผู้คนในโลกสมยัยใหม่เนี่ยเวลาจะมีการอพยพเกิดขึ้นเนี่ยเช่นเหตุการณ์แบบประเทศซีเรียมีสงครามอยู่ไม่ได้อพยพสองมีภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวสึนามิอะไรกันแล้วแต่อยู่ไม่ได้อพยพแต่ประเทศเวเนซุเอล่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีสงคราม ไม่มีภัยพิบัติแต่คนอยู่ไม่ได้อพยพไปประเทศอื่นเพราะว่าในประเทศน่ยอยู่ในภาะวะล้มละลายเศ ร, รษฐกิจขับเคลื่อนไม่ได้คนคืออยู่ไปก็ไม่รู้จะจะทํางานอะไรจะกินอะไรเศ ร, รษฐกิจมันพังหมดถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นพอกลับไปดูแล้วสมัยก่อนประเทศเวเนซุเอล า, าเนี่ยเป็นประเทศที่มีสบายน้นํามันเยอะเราอย่าคิดว่าน้ํามันมีเฉพาะประเทศอาหับนะในกลุ่มประเทศโอเปกเนี่ย มีสมาชิกประเทศผู้ค้าน้ำมันเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่ไม่ใช่ตะวันออกกลางด้วยเช่นบูไนอยู่แถวนี้เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นกลุ่มสมาชิกที่ค้าน้ำมันเหมือนกันครนี่ตอนที่ค้าน้ำมันได้ขายน้ำมันได้เนี่ยนะครับรัฐบาลนี่มีเงินเยอะมากก็ให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นสวัสดิการแต่ว่าให้เกินไปเกินไปยังไงก็ให้ทุกอยาก่าง จนกระทั่งว่าสินค้าบางตัวในประเทศเนี่ยคนเนี่ยไม่สามารถขายได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นผมเนี่ยเมื่อกี้ขายากางเกงคันงนี้ขายลงเท้านะขายรองเท้าคู่หนึ่งราคาต้นทุนที่ผมสมควรจะขายได้กําไรเนี่ยหนึ่งร้อยบาทขายแล้วคนซื้อก็พอมีกําลังซื้อผมก็พอได้กําไรห้าบาทสิบาทรัฐบาลมองว่าตัวอย่างนะเออรองเท้าเนี่ยคนมันต้องซื้อเนี่ย เราเข้ามาแทรกแซงดีกว่าไปเหมารองเท้ามาแล้วก็ามาขายห้าสิบบาทไอ้ส่วนต่างของต้นทุนเนีรัฐบาลไม่เป็นไอดอุดหนุนให้ให้ราคามันถูกคนจะซื้อได้ถูกๆห้าสิบบาทที้ปัญหาเกิดขึ้นผมจะไปขายใหครละ่ะคนก็ไปซื้อรองเท้าแล้วุดหมดรัฐ บ, บาลขายห้สิบาทร้อยบาทใครจะมาซื้อคุณภาพเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดก็ไปซื้อทางนู้นหมดผมก็ไม่ขายนึกออกไหมขายทั้งขายไม่ได้รัฐบาลแทรกแซง อันอื่นก็เหมือนกันมีน้องขายเสื้อผ้าก็ขายไม่ได้ถ้ารัฐบาลมาว่าเสื้อผ้าคนต้องใช้เอามาแสกแซนเสื้อผ้าหาร้อยชุดกินบุญรับบาลขายร้อยห้าสิบอยู่ไม่ได้เอาเลิกขายผลไม้ส้มเขียวหวานทุเรียนรับจากสวนมาขายรัฐบาลก็ไปเอาจากสวนเหมือนกันแต่ว่าให้เงินอุดหนุนขายตัดราคาเพื่อให้คนซื้อได้เป็นการให้ให้เยอะมากจนกระทั่งว่าคนในประเทศไม่อยากทำอาหากินแล้ว นึกออกมาอย่าถึงเวลาอย่าเสื้อมาอย่ารองเท้ามาอย่าให้มาพอถึงวันหนึ่งที่ราคาน้ำมันมันพลิกไปมันมันขายไม่ได้แบบเดิมเนี่ยรัฐบาลจนลงรายได้เข้าประเทศน้อยลงไอเงินจะอุ้มไม่มี เ, เลิอกอุ้มเนี่ยพังทั้งประเทศเพราะเศรษฐกิจไม่มีเลยผมจะขายรองเท้าผมก็เลิกขายสู่รัฐบาลไม่ได้ ไม่มีเศรษฐกิจอะไรเหลือในประเทศเพราะธุรฐบาลแทรกแทงสุดท้ายเงินเฟอ้อเงินไม่มีค่าเป็นกระดงกระดาษพังไปหมดฉะนั้นการตับบดีการมุบัาเซ็ตเนี่ยพี่น้องครับไม่อย่ามองแค่ภาพตัวเองว่าฉันได้เงินเดือนสามหมื่นจห้าหมื่นไม่ใช่แบบนั้นนะในระดับสังคมระดับประเทศชาติมีตัวอย่างให้เห็นแล้วให้เยอะเกินไปพังเหมือนกันประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาหนี้สินครัวเรือน แต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมีหนี้เกินตัวท น, น, นั้นเลยนะเพราะทําทไมล่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายพี่น้องในกระเป๋าผมมีบัตรเครดิตสามใบโทรมาทุกวันจะเอาอีไม่เอาอีไม่สามใบก็บพอแล้วถ้าใจง่ายใจเยอะเดี๋ยวพี่น้องมันง่ายกดปุ่มปุ๊บที่สองวันสินค้ามาถึงบ้านเงินเยอะไม่ต้องจ่ายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปจ่ายสิ้นเดือนการใช้ใจ่ายปัจจุบันมันง่ายแล้วก็โปรโมชั่นดึงดูดรถขั้นใหม่แล้วก็อยากถอย ร ถ, รถ ก, นกานเก่าเขาทำได้ับได้แต่อยากได้คันใหม่เพราะว่ามันดีมันสวยมันมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยซื้อง่ายไหมซื้อง่ายพี่น้องครับคนสมัยนี้จะมีรถยนต์เนี่ยง่ายมากยอมเป็นหนี้ในมีรถแต่แล้วถอยโชว์รูมไหนก็ได้เขาอยากจะขายการใช้จ่ายเกินตัวพี่น้องส่งปัญหาครับผมสุดท้ายเงินเก็บไม่มีมีแต่นี่สินี่สิ สมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้นะสมัยก่อนเนี่ยบ้านไหนมีรถยนต์เน่ยพี่น้องสุดยอดคนที่มีรถขับถือว่ามีฐานะดีในปัจจุบันใครก็มีรถขับได้นึกออกมไหมการใช้จ่ายเศรษฐกิจขยายตัวด้วยแล้วก็เ อ, อทัุรกรรมมันทําได้ง่ายขึ้นเราระวังให้ดีครับเวลาใช้จ่ายเกินตัวแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นพอเป็นหนี้แล้วพี่น้องมันไม่ใช่แค่ดีศีล น, นะมันมีดอกเบี้ยมาด้วย ใครที่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตซึ้งเลยยิ่งเป็นยิ่งไม่หมดจ่ายขั้นตามเท่านี้มันคิดดอกจ่ายไปจ่ายมาดอกที่มาดอกมาได้ไงดอกคิดสิบกว่าเปอร์เซนยิ่งแต่สินเชื่อไอบบ้ประเภทที่ว่าอารถเข้าไปแล้วได้เงินกู้มาโอ้โดอกเบีย้ยยี่สบห้ายี่แปดเปอร์เซนตพี่น้องคนกู้เนี่ยบางทีดอกเบี้ยง่ายๆดอกเบีย้ยเจ็ดปอร์เซน ดูเหมือนจะไม่สูงกู่มาซื้อบ้านดอกเบี้ยเจ็ดอร์เซ็นแต่เวลาผ่อนผ่อนสิบปีเจ็ดเปอร์ซกลายเป็น 70% สิบเปอร์ซผ่อนยี่สิบปีกลายเป็นร้อยสี่ิเปอร์ซเยอะกว่าเงินที่เราจะเอามากู้บ้านมาซื้อบ้านอีกฉะนั้นบางทีเราก็ไม่ได้คิดขอให้ได้มาก่อนส่วนไอ้ใช้หนี้ค่อยว่ากันทีหลัง นวนจองดอกเบีย้ยเดี่ยมันทีเลี่ยงยากดอกเบีย้ยเป็นบากนะครับในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเลียงยากมันเกี่ยวกับชีวิตเราไปหมดแหละนะครับแต่ว่าการมุมบั็กเด็ดการตัะปฏทิเนเี่ยพี่น้องเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราเข้าไปเกี่ยวกับดอกเบีย้ยใช้จ่ายเกินตัวไม่จำเป็นแต่อยากได้มีทางไม่มีทางกู้มายืมมาใครๆก็อยากให้กู้ใครๆก็อยากให้ยืม นะครับผมเนี่ยเบอร์แปลกๆมาเนี่ยไม่กล้า ร, รับสายแล้วรับสายมาเอ้าโปรโมชั่นนู้นจะปูไม้จะยืมไม้ดอก เ, เปียลดต่ำเต็มไปหมดนะครับต้องขอโทษแล้วก็ไม่เอานะการด้วยกับสาเหตุต่งางๆพี่น้องครับความหมุบั่เด้การใช้จ่ายเกินตัวความซุยสุย ส, ยสร้างปัญหาอย่างหนักในระดับสังคมตัวอย่างชัดๆประเทศ ล, งงล่มจมเยเวเนซุเอลา สร้างปัญหาในระดับส่วนบุคคลคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตพี่น้องซึ่งเลยยิ่งประเภทเงินติดลอ้อไงนะโอ้โหแย่นะครับพอปัญหาในอสันเกิดขึ้นพี่น้องคนที่เป็นหนี้เนี่ยเครียดเครียดไม่เครียดพอเครียดแล้วเนี่ยระบายกับใครพี่น้องด่าผูอื่นก็ไม่ได้บางทีก็มาลงในครอบครัวด่าเมียเมียไม่ผิด เครียดด่าเมียบางทีก็ฉุนเฉียวลูกก็ไม่ผิดลูกอยากให้สอนการบ้านพ่อเครียดอยู่เดินนี้นี่ยไม่มีจ่ายไม่จ่ายพอดอกเบีย้ยมันทบมันจะทับตัวตายอยู่แล้วเอา้าลงกับลูกในครอบครัวก็มีปัญหาแทนจะอยู่ด้วยความสุขมีปัญหาปัญหามาจากหนี้สินนะครับคนไม่เป็นหนี้ไม่ซึ้งไี่น้องนะผมก็เป็นหนี้แต่พยายามให้มันมน้อยๆอย่าให้มีดอกเบีย้ยน้อยๆนะครับอันไหนถ้าซื้อของบัตรเครดิต ต้โปะนะถ้โปะไม่หมดไม่ซื้อออกเขาต้องมีวินัยในตัวเองไม่งั้นไปกันใหญ่นะครับอ่านอญญายันทีมีน้องครับคนที่เสื่อรุ่สื่อไไม่ใช่แค่พวกชัตอนเป็นพี่น้องชัตอนเลยแนบชิดกันเลยเนี่ยนะครับต่อมาครับในอญญายันที่ยี่สิบแปดอมมาตัวอวิเดนอันทุ่มนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่มีขึ้นมาทํำยังไงเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยหนึ่งบอกให้ทําดี ต่อคนอยากคนจนต่อเครือญาต่อผู้เดินทางต่อมาบอกว่าอย่าสรุยสุราชนะและถ้าคนไม่มีละ่ะสุลุยสุราชนี่ไอ้พวกที่มีอยู่แล้วเดี๋มีเยอะและถ้าไม่มีทํำยังไงก็อ่านบอกว่าเอ็มมาตัวเดอนอาณาหุ่นะครับเราก็สามารถที่จะไม่ให้ได้ถ้าเราไม่มีนั้นอิติกละอัลมมตินมิรอบบิกาตรัยูฮาฟากุลละหุมกาลัมไมสูฮ้อ ถ้าไม่มีพี่น้องครับพี่น้องสามารถปฏิเสธที่จะไม่ช่วยเหลือไม่ให้ได้แต่ว่าให้พูดโดยการลำไมสุรอด้วยคาพูดดีๆคนที่มาขอเนี่ยพี่น้องไม่มีเราก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ให้ถ้าจะ ไม่ให้เขาเนี่ยพี่น้องปฏิเสธการให้ให้พูดโดยกับคำพูดดีๆในขนาดเดียวกันครับเราก็ต้องอิฟติลอัลฮะมัินมิรับบิก้าตะรับยูฮาหวังด้วยว่าเราจะได้ปัจจยยังชีพเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับให้ศึกษาให้ดี ให้ทํางานให้ดีสร้างฐานะให้ดีคนพอเรามีฐานะแลว้วประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เราอย่างเดียวนะพอเรามีฐานะแลว้วถึงระดับหนึ่งเราสามารถเป็นผู้ให้สัตยการได้ alumni. สังคมได้ประโยชน์ต้องบอกลูกบอกหลานแล้วนะครับดุลยอเนี่ยต้องทําให้ดีต้องสร้างฐานะตั้งเป้าไว้เลยครับบอกลูกบอกหลานนะตั้งเป้าไว้เลยเราต้องเป็นผู้ให้สัการได้ต้องตั้งเป้าแบบนี้อย่าไปตั้งเป้าว่าตจะได้เงินเดือนเจ็ดหมื่นแปดหมืนห้ามืน ให้ตั้งเป้าวา่าเราต้องเป็นผู้ที่ให้สการได้ทําหน้าที่ทําหาไรายได้มาพอถึงจุดหนึ่งให้สการได้มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับมุสลิมที่มีฐานะดีมีประโยชน์ต่อสังคมเพราะมีประโยชน์ต่อตัวเองด้วยได้บุญเยอะกว่าเดิมเพราะอะไรครับมีความสามารถจะบริจาคตัวเองก็ได้ประโยชน์นะดุนย์อกก็ได้ประโยชน์ มีฐานะดีตุนยอสบายอาคิวรอได้ประโยชน์เพราะฐานะที่ดีกําลังทรัพย์ที่มีเพิ่มขึ้นสามารถสร้างความดีเพิ่มขึ้นมาได้นอกจากไอคิวรอได้ประโยชน์และสังคมได้ประโยชน์ครับเราสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยกําลังการได้อยากช่วยมากกว่านั้นก็เป็นสะดะก้องได้ในอายะนี้บอกว่าถ้าไม่มีเนี่ย ให้พูดด้วยกับคําพูดดีๆในขนาดเดียวกันก็อิปตะกออะมะรหมมัตินมิรับบิฆาตรัสยูฮหาหวังด้วยวันนี้ไม่มีคนมาขอเราขอสการเราไม่มีสการให้ต้องตั้งเจตนาปีนี้ไม่มีให้ปีหน้าฉันจะไปให้ถึงเป้าไว้ได้ให้เป็นผู้ที่จใจสการให้ได้นะครับอ้าวต่อมาครับในอายะที่ยี่สิบเก้าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงนเรื่องทองนะ ใครบอกอิสลามมุ่งแต่อารอิเควันนี้คุยกันในพี่น้องดุลยาร้า น, นั้นเลยนะแต่ดุญยาในอิสลามไม่ได้แยกกับอาคิเคโลเพราะดุญยาคือโลกในการเก็บเกี่ยวอาคิเคโลคือโลกในการตอบแทนบางทีเราไม่เคยพูดเรื่องดุลย์นะครับสุดท้ายไม่ทราบว่าเราจะเก็บเกี่ยวยังไงเนี่ย สาเบียนที่เก็บเกี่ยวในพี่น้องเก็บเกี่ยวในดุนยอนะแล้วได้การตอบแทนในอาคิระแต่เราไม่เคยพูดว่าในดุนยอเราจะเก็บเกี่ยวยังไงมันไม่ได้มีแค่การละหมาดการทาฮัสอย่างเดียวมันมีการหาไรายได้การสร้างอาชีพการขายของทำไมละ่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วเนี่ยประโยชน์มันได้กับสังคมด้วยเราได้มีความสามารถในการช่วยเหลือสังคมนะครับ ในอายะห์ที่สิบเก้าอัลลวฮตรัสว่าเวลาตัจนจะด่ามักโลละตันอิลาโอนุกิกะนะครับอย่าทำให้มือของท่านเนี่ยมันถูกมัดถูกตึงไว้กับคอในคืนนี้คือเป็นสำนวนเปรียบเทียบนะไม่ใชอ่อย่าบีบคอตัวเองนะสำนวนนี้บอกว่าอย่าขี้เหนียวเวลาตับสุดฮากุนุบัสติน คุลันบัสตีนะครับและยาคือเขเปรียบเทียบ ว, ว่าไอ้คนที่เอามือมาคล้ายๆบีบคอพันคอตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวในขณะเดียวกันเวลาตับสุทามือเนี่ยเวลาเบนเนี่ยกุณลันบัสตีนะครับเบนก็อย่าเบนแบบสุดแต่ว่าเวลาใช้จายก็อย่าใช้จ่ายแบบสุดๆฟาตากูดามาลูมัมมัชซุรอถ้าเราสุดโตงนะขี้เหนียวเกินไป มือเติบเกินไปเนี่ยสุดท้ายเราจะมาดูมัมมะสุรอเราจะกลายไปพูดที่ถูกประนามและก็เสียใจให้อยู่กลางๆพี่น้องครับใช้จ่ายแต่พอดีอย่าให้มันน้อยเกินไปแล้วก็อย่าให้มันถึงขั้นกับสุรุยสุรายน่าสนใจนะอิสลามเนี่ยลงมาสอนด้วยไม่ได้บอกแค่เรามาดีเกตอย่างเดียวนะแต่มาบอกว่าในการใช้จ่ายเนี่ยพี่น้อง เราจะใช้จ่ายยังไงประเด็นนี้น่าสนใจพี่น้องเพราะยังไงในปัจจุบันเนี่ยกลับมาดูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากเกิดโควิดมาเนี่ยแย่กันหมดเลยนะครับหลายคนก็เปลี่ยนอาชีพหลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยนะโลกเปลี่ยนไปเยอะเพราะโควิดท่า น, นี้เขาก็มีรัฐบาลต้องทำยังไงดีประเทศเป็นแบบเนทำยังไงดีก็อยากกระตุ้นให้มีคนใช้จ่าย กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเกิดขึ้นมาตรการหนึ่งที่มีนอกจากแจกเ ง, ง, งินแากหนาหนะมาตรการหนึ่งก็คือลดอัตราดอกเบีย้ยในธนาคารลงมาดอกเบีย้ยที่อิสลามปฏิเสธเนี่ยอิสลามนี่บอกเลยชัดๆดอกเบีย้ยกินไม่ได้แต่ว่านรบะบบเศ ร, รษฐกิจในภาพรวมเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยเป็ น, นกลไกอย่างหนึ่งทางเศ ร, รษฐกิจเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มีคนออกตังเงเยอะเก็บเงินเยอะๆทํำยังไงดีแลเพิ่มอาัตราดอกเบีย้ย คนก็ไปฝากธนาคารเยอะดึงดูดให้ฝากเพราะได้ดอกเบี้ยเยอ ะ, าาย อ, ะอยากสร้างการออมขึ้นมาในสถานการณ์เนี่ยเราไม่อยากให้คนออมเยอะแล้วอยากให้คนเอาตังค์ออกมาใช้จา่ายทำยังไงลดอตัตราดอกเบี้ยตอนนี้ลงมาเท่าไหร่ศูนย์สองห้าคนรู้สึกว่าถ้าฝากธนาคารแล้วดอกเบี้ยที่ได้ไม่คุ้มได้น้อยเอาออกมาลงทุนดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่านึกออกไหนะครับครานี้ประเด็นก็คือว่า ในระบบเศรษฐกิจทั่วไปก็มีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยกลายเป็ น, นกลไกสําคัญแล้วในการจะกระตุ้นในมีการใช้จ่าย<ๆ>กระตุ้น ใ, มในใมีการออมแต่ในระบบอิสตามไม่มีดอกเบีย้ยคราวนี้เราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงจะกระตุ้นให้คนออมยังไงถ้ามันมีดอกเบี้ยดึงดูดจะกระตุ้นให้คนใช้จ่ายยังไงถ้าเราไม่มีดอกเบีย้ยให้มันลดนึกออกไหมประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราจะ อธิบายอิสลามเนี่ยเราต้องให้ทางออกให้ชุดความรู้กับโลกนี้ด้วยถ้าไม่มีดอกเบีย้ยคุณจะทำยังไงสังคมแบบอิสลามเนี่ยถ้าห้ามนูน่นห้ามนี่แล้วคุณให้ทางออกยังไงบ้างอย่าให้เป็นแค่การห้ามประนามปฏิเสธแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ให้ทางออกไม่ได้ช่วยเหลือสังคมให้ทางออกด้วยอิสลามที่ไม่มีดอกเบีย้ยเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงเอา คุณบอกห้ามกินต่อเบียแล้วคุณจะทำไงคุณบอกมาสิอิสลามอธิบายมาสิเราต้องมีชุดความรู้มีแนวทางอธิบายก่อ ด, ด้วยฉะนั้นสิ่งที่ต้องการสำหรับอุมมาห์นี่คือศึกษาอัสบับสาเหตุต่างๆทำไมคนทะเลาะ ก, กันทำไมมีปัญหาการเมืองแล้วอิสลามมีคำตอบอยังไง เราไม่สามารถบังคับไปคนต้องทําแบบนี้แบบนี้นะเพราะอัลลอฮ์สั่งคนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้ศรัทธาแต่ว่าถึงคุณไม่ศรัทธาคุณก็ได้ประโยชน์ต่ อ, อจากอิสลามนะเพราะเรามีทางออกให้แบบนี้แบบนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเราไม่ศึกษาอัสบอบความเป็นไปของโลกอิสลามก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะกลับมาที่ประเด็นนะครับก็มีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเออถ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าจริงเนี่ย แล้วทำไมไม่ให้ทุกคนมีตังหมดเลยคำถามพื้นๆเนี่ยบางทีเราเจอตอบยากเหมือนกันถ้ามีพระเจ้าจริงเนี่ยทําไมต้องมีคนจนอ้าวถ้ามีพระเจ้าจริงเนี่ยก็มีตังให้หมดเลยเมื่ต้องมีความยากลําบากถ้ามีต้องมีการสูญเสียถ้ามีถ้ามีคนพิการทําไมต้องมีความยากจนค้นแค้นในบางพื้นที่ทําไม คำตอบน่าสนใจในอายที่30อิอายาสุดท้ายในวันนี้ครับอลัลลอฮฺตรัสว่าอินนรัม บ, บากะพระผู้บิบาลของท่านนั้นยับสุดุนริสก็ให้ปัจจัยยังชีพริสกีเนี่ยเลมัยยชาแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์วายักเดรนะในขณะเดียวกันเนี่ยคำว่ายับสุดเนี่ยนะครับความหมายตรงข้ามประยักเดรยับสุดคือให้ยักเดรคือจากัด นะอันนี้ไม่ได้แปลว่ากำหนดนะแปลว่าจำกัดความหมายตรงข้ามกันอินนาหูการนาบิอิบาดฮีขอบีรอนบลซีรอแน่แท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทราบดียิ่งและก็รู้แจ้งในสิ่งที่เกี่ยวกับวงบาวของพระองค์คำว่าขอบีรอนตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ทราบดีว่าบาวเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดกลับมาที่คาถามเดิม ทำไมต้องมีคนจนถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมต้องมีคนจนถ้าพี่น้องกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยความไม่เท่ากันความต่างกันของผู้คนเนี่ยก่อให้เกิดประวัติศาสตร์เกิดขึ้นภาคกลางมีข้าวภาคใต้มียางพาราเป็นความแตกต่างที่สกิีแตกต่างกันนะข้าวประโยชน์คืออะไรพี่น้องกินได้เลยครับยางกินได้มันกินไม่ได้ไม่ว่าไกกินยางแต่ใช้ประโยชน์อื่นได้ พอมีความแตกต่างกันแต่ละพื้นที่แล้วมีการเคลื่อนย้ายกันแต่เป็นสมัยก่อนเวลาจะเอาของมาขายเนี่ยเอากองคาราวานมาเอาข้าวใส่เกวียนเดินทางมาถ้าเป็นตะก่อนขายวัวขายควายนีย่พี่น้องเคยดูหนังนายฮ้อยทำมินไหมแบบนั้นเลยคนที่เป็นนายฮ้อยก็เอาวัวเอาควายจากอีสานมาเอาเข้ามาขายความต่างกันของปัจจัยอย่างชีพพี่น้องครับทําให้เกิดการติดต่อสร้างประวัติศาสตร์ บางคนอยู่ประเทศไทยพี่น้องก็ไปดูหน้าตาเอหน้าตามันออกประทานประทานคนนี้หน้าตาออกอีสานคนนี้หน้าออกไทยไทยคนนี้หน้าออกมาเลยูมันมากันได้ยังไงพ่อแม่กันมาเจอกันได้ยังไงพ่อเป็นมาเลยูแม่เป็นอีสานมันห่างกันหลายโลมาเจอกันได้ยังไงเจอกันเพราะว่าการเดินทางการพกปะตรงนี้เมื่อมนุษย์มีความแตกต่างกันด้านประจัยยังชีพเราจึงมีการแลกเปลี่ยนกันข้าวหอมมะลิไทย ถึงไปขายที่อเมริกาในขนาดเดียวกันเราก็เอาผลไมแ้แปลงๆที่ไม่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยเรากลับามากินในประเทศไทยทําให้ปศุสัตว์มันเกิดเส้นทางของมั น, มนถ้าทุกคนเท่ากันหมดพี่น้องครับปศุสัตว์ไม่เกิดขึ้นคงไม่พบปะกันเราจะไม่เป็นแบบที่เราเป็นในตัววันนี้ ความยากจนก็นดีพี่น้องความร่ำรวยในบ้านพื้นที่ก็ดีถ้าดูในประวัติศาสตร์นะพี่น้องมีการล่าอนะันานิคมเราไม่ได้บอกมันดีนะแต่หมายถึงมีการสแสวงหาทรัพยากรคนจากยกุโรปมาแถวนี้มาหาเครื่องเทศมาหาพริกไทยมาน้านําตาลมาหาใบาชาเรากลาเทคโนโลยีจากเขานะเราก็าไปเรียนนอกเอาเขื่อนกลเข้ามาเรามีนายจ้างที่เป็นคนญี่ปุ่น เรามีล่ามภาษาญี่ปุ่นเรามีคนแยากเรนภาษาจีนเพื่อจะทำงานในบริษัทจีนนึกออกไหมเรามีมาหลาลัยที่เปิดสอนภ า, า, าษานน้นภาษานี้เพราะความต้องการของบุคคลมันเกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านปจัจจัยยางชีพบางทีคุณก็มีผมก็มีแต่มีต่างกันเขามีน้ํามันเรามีส้มนึกออกไหมเขามีเยอะเรามีน้อยถ้า อัลลอฮ์กำหนดให้ทุกคนได้เหมือนกันเท่ากันหมดมนุษย์ก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกเลยฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นคือขอบีรอนบาซีรอเรื่องที่เกี่ยวกับบ่าวของพระ อ, องค์เนี่ยปัจจัยยังชีพนะเฉพาะในแง่นี้นะเราพูดในแง่นี้ในอายานี้เนี่ยอัลลอฮ์ขอบีรอนอัลลอฮ์ทราบดีที่สุดทําไมถึงยับสุดโตนิสก็เลยม่ยช่ช้าทำไมคนดีได้เยอะกว่ากวย่ยาดีทาไมคนดีได้น้อยกว่า ก็อมองไม่ออกพี่น้องตอน เ, เด็กกคัถามเอ๊ะบางคนเน่ยพี่น้องมีโต๊ะคนเดียวกันเหนื อ, อมั้ยโต๊ะเหมือนกันนะเวลาโต๊ะป่วยเนี่ยลูกหลานก็มาเยี่ยมปรากฏว่าลูกหลานที่มาเยี่ยมเนี่ยต่างกันเลยขับรถมารถรถแพงๆอย่างรถถูกก็มีเดินมาก็มีมาทีตั้งคําถามเอ๊ะเราก็เป็นหลานโต๊ะเหมือนกันทําไมรายได้ไม่เท่ากัน อ, อบ้านนู้นมีตังบ้านนี้ไม่มีตังนันทั้งที่มาจากต้นตระกูลเดียวกัน นึกออกไหมวันที่เราก็ไม่พอใจแต่อัลลอฮฺะนะครับมีรอนบัซีรอทราบดียิ่งในประเด็นที่ว่าทําไมถึงให้บ่าวคนนี้หรือไมอยะชาทํ า, าทไมถึงให้บ่าวคนนี้น้อยกว่ากวายักเดิบยักซูโซวายักเดิบนะครับให้มากให้น้อยทําไมละ่ะต่างกันวันนี้เรามีคนจนในในสังคมพี่น้องครับเราถึงมีความช่วยเหลือเกิดขึ้นเรามีสการมีสลอก แต่ว่าในอาคฤษสมาร์มันใก่ๆวันเกียร์มาที่นาบีเล่าให้ฟังเนี่ยคนรับสการหายากแล้วมีกันหมดแล้วพอจะ จ, จ่ายสการคนบนนั้นบอกว่าทามาตอนเช้านะ่ะฉันเอาได้นี่มาตอนบ่ายนี่มาตอนบ่ายฉันเอาไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันกลายเป็นคนมีไปแล้วนื้ออกมาต่างคนต่างมีมุา จ, จ, จายสการ ก, กับใคร คนในสังคมมุสลิมพี่น้องครับมีบางพื้นที่บางตระกูลมีรายได้เยอะบางคนก็รายได้น้อยมีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันบางวนักต่อนักครูสอนหนังสือเนี่ยเงินเดือนไม่ได้แต่อยู่ได้เพราะคนในสังคมช่วยกันจุนเจือเห็นหรือเปการพอช่วยเหลือกันแล้วมีปฏิสัมพันธ์คําชุนกันแล้วเนี่ยพี่น้องครับมีความรักกัน โต๊ครูเนี่ยจะมาโป้งโป้โป้ว่าสังคมเลวทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะสังคมก็ ม, มาถามเขาสังคมก็จะไปบีบโต๊ะครูมาด่าว่าเวลาพูดศาสนาต้องพูดโดยฉันถูกนะก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรละ่ะเขาก็อุตส่าห์ทําหน้าที่ในสังคมมีการช่วยเหลือกันความต่างกันนะพี่นอ้องเป็นความสวยงามเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยล้วนแต่เป็นบททดสอบ คนได้น้อยเป็นบททดสอบครับเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาได้น้อยคนจนคนรวยก็ถดูทดสอบครับมีคนได้น้อยในสังคมมีคนยากจนในสังคมคุณทำไมไม่ช่วยเหลือเขาคุณจะช่วยเหลือเขายัางไงเพราะว่าสิที่ถ้ากลับไปดูนยัยยะที่สิบหกสิงที่เขาคนมิสกีนสิทธที่อยงคนยากจนเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับจากสังคมนะ นี่คือคำสั่งที่เร า, าบอกว่าโอตอรอนรบกุออบกาา้าอัลลอฮ์สั่งใช้ตรงนี้นอกจากอิบารัดาต่อรอนทาดีต่อพ่อแม่แล้วยังห่วงว่ามนุษย์จะอยู่ยังไงสังคมจะขาดการติดต่อกันไหมจะมีการช่วยเหลือกันไหมสั่งใช้เป็นคำสั่งมาน่าสนใจมากนะครับในช่วงท้ายของเวลาเนี่ยนะครับผมทวนนิดหนึ่งวันนี้สุรตตนอิสราอิยาที่ยี่สหกถึงอิยาที่สามสิบ มีคนสามชั่งพวกมีน้องมีน้องอย่าลืมทำความดีกับเขานะถ้ามีน้องมันมีส่วนที่เป็นเยสานทําดีกับเขากับส่วนที่เป็นวาญิบเลยถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเราโดนสอบสวนเราบาปเป็นฮักเก้เป็นสิทธิของพวกเขาคนสามชั่งพวกประเด็นที่หนึ่งคือคนที่ดันร่มบาเป็นญาติกาใกล้ชิดตัววันนี้มีน้องสาการดที่มีให้ญาติก่อนได้บุญเยอะกว่าให้คนอื่น ได้บุญที่ทำทานบริจากได้บุญที่ทำความดีกับคนยากกลุ่มที่สองอย่าลืมครับคนยากคนจนคนยากคนจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัญหาที่เกิดกับคนจนครับเป็นปัญหาของสังคมคนรวยหนีไม่พน้นเมื่อเกิดปัญหากับคนจนทํามันจนมากๆ ม, ม, มันคนแค้นมากๆแล้วพี่น้องบางทีกับปน พ้นใครพ้นคนจนพ้นคนที่มีคนจนเนี่ยเป็นนอไม่ใช่ปัญหาของเขานะเป็นปัญหาของสังคมเราต้องมาว่าคนยากคนจนเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของเราเองเราต้องเข้าไปแก้ปัจจุบันนะครับรัฐบาลยังมองประเด็นนี้นะเช่นความเหลื่อมล้ำเนี่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมไทยจะแก้อย่างไงนะครับกลุ่มที่สามครับเป็นอิบนุสบิดเป็นผู้ที่เดินทาง ผู้ที่เดินทางในปัจจุบันไม่ใช่ขี่โอทองคาราวานแล้วเป็นคนต่างถิ่นเราในเป็นคนกรุงเทพพี่น้องได้ต้อนรับแขกจากหลายๆพื้นที่พเพราะกมากรุงเทพมาที่มหาการศึกษาที่ดีกว่ามหาโอกาสในสังคมโอกาสทางอาชีพคนเหล่านี้เป็นอินุูสตินพี่น้องมองมองบางแถวบ้านนี่นะครับแต่เขาขาดเหลือช่วยได้ช่วยก็มีฮักก้าฮูมีสิทธิของเขา สามปุมอย่าลืมประเด็นต่อมาครับในสามอายาเนี่ยนะครับก็อ่านบอกว่าอยาสุรุยสุราชอย่าใช้จ่ายเกินตัวครับตําหนิใช้สำนวนหนักมากเป็นพี่น้องกับชัยตอนเป็นพี่น้องกับชัยตอนนะครับก็อ่านให้ทางออกครับบอกว่าอยาเอามือเนี่ย เปรียบเทียบอย่าเอามือมาลักคอตัวเองอย่าแบมือก็อย่าแ บ, มออาแบ่มือสุดแปลว่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายพอดีอย่าใช้จ่ายขี้เหนียวเกินตัวตัวเองก็ไม่ไม่กินน่ะกินเนี่ยมันขาดมันก็บีบคอตัวเองในขนาดเดียวกันเวลาใช้จ่ายแบ่มือจะจ่ายเนี่ยอย่าแบ่สุดแบ่มันพอดีพอดีให้เหลือเก็บบ้างใช้บางส่วน นะครับการใช้จ่ายเกินตัวก็เป็นปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแล้วแต่ก่อนเราเคยมางว่าเป็นเงินของฉันหนักหัวใครฉันจะใช้เยอะใช้หมดหนักหัวใครเป็นหนี้ฉันก็เป็นหนี้หนักหัวใครหนักครับตอนนี้พอเวลามาดูหนี้สินมวลรวมในประเทศแล้วในสินค้าเดือนเนี่ยพุ่งไปแปดสิซแปลว่ายัางไงพี่นอ้องแปลว่าเงินที่ได้เงินเดือนที่ได้มาเนี่ยแปซไปใช้หนี้เหลือยี่สิบเงินเก็บไม่ต้องพูดกันนะครับยิ่งคนกรุงเทพเลยพี่นอ้อง อยู่สิ้นเดือนกับบุลเแล้สำไมนี้วันที่วันที่ย3ิบสามเงินเดือนออกยิบเจ็ดลุนอยู่สี่วันห้าวันจะใช้จ่ายถึงไหมเงินเก็บไม่เหลือเมื่อไม่ใช่เรื่องส่วนตัวในภาวะที่คนในสังคมไม่มีการเก็บออมไม่มีแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันอย่างปัจจุบันสงน่งผลกระทบเยอะมาก สมงผลมาหักประเทศฉะนั้นก็อ่านถึนเตือนว่าอย่าใช้ใจ่ายซุยสุรล่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวแล้วส่งผลต่อประเทศทั้งหมดนะใครเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับใครใช้ใจ่ายเกินตัวเป็นหนี้สินเกินตัวปัญหาไม่ใช่เรื่องตังแร็วส่งผลต่อสภาพจิตใจเวะลาอ่านข่าวในเดือนนี้เนี่ยพราค่าตัวตายและเป็นเสียเป็นเสียแต่ค่าตัวตายเป็นเสียทําไมค่าตัวตายหนี้สิน เดี๋นี้ฮิตมากค่าตัวตายโดยใช้กระทะหมูกระทะพี่น้องมีรถใช่ไหมปิดกระต่างให้หมดจุดควันควันคควันให้อยู่ในรถสุดท้ายตายรถรถตีค่าตัวตายเราบางทีเราไปมองอ๋อรถรุ่นนี้เนี่ยแต่ขายได้เราสบายเลยหนี้สินทรัพย์มันมีพี่น้องครับแต่หนี้มันเยอะกว่าทรัพย์ทีมีเนือออกมาบ้านกะหลังใหญ่รถกะหรูหลามีไปหมดเป็นเงินหมุนสุดท้ายเวลาหนี้สินมานี่ยมันกินหมด เครียดค่าตัวตายเสียทั้งนั้นนาฎิกาตัวตายนะครับการใช้ใจ่ายเกินตัวไม่ใช่ปัญหาเรื่องตังค์อย่างเดียวนะมันกระทบหมดมันทีค่าตัวตายเอาเมียมาค่าตัวตายด้วยสุดท้ายลมพันตายในรถเนี่ยผัวเมียบางทีลูกด้วยเล็กน้อยเจ็ดขวบแปดขวบยิงตัวตายหมดเลยสุดท้ายยิงตัวเองนี่สินการฟุ่มเฟือยเนี่ยกูอันใช้คําหนักมากว่า เป็นพี่น้องของชัยตอนเพราะปัญหาได้เกิดขึ้นมันหนักมันหนักนะครับในในอายะสุดท้ายเป็นการตอบคำถามอายะที่สามสิบถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมต้องมีคนจนตอบมาหน่อยสิทําไมครับถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมต้องมีคนจนนะครับในอายะที่อลัลลอฮ์บอกว่าเบาความพระ อ, องค์เนี่ยนะอลัลลอฮ์ยับสตุนหาารือกย์มัยยาชาพระองค์ให้ปัจจัยยังชีพ บางคนก็ให้เยอะบางคนก็ให้น้อยบางคนก็ให้เหมือนกันแต่ปัจจัยอาชีพแตกต่างกันมีเจ้าของสวนส้มบางมดมีเจ้าของสวนยางนึกออกไหมมีเจ้าของอูรลดมีเจ้าของร้านลูกชิ้นปัจจัยอาชีพมีหมดครับแต่ว่าต่างกันพระองค์บอกว่าพระองค์ขอบีรอนบอร์ซีรอทราบดีครับเบื้องหลังการประทานให้เหล่านี้ทำให้มนุษย์เกิดอะไรขึ้นบ้างให้เกิดศาสตร์ ให้เกิดการเดินทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้เกิดปฏิสัมพันธ์เราถึงเป็นเราอย่างทุกวันนี้ตราทุกคนได้บัจจายังชีพเท่ากันหมดพี่น้องผมไม่ต้องเอาข้าวมาขายพี่น้องพี่น้องไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาขายผมต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองมีพอกันหมดได้เท่ากันหมดไม่ต้องช่วยเหลือไม่ต้องอุปถธรรมกันไม่มีคนจนไม่มีอะไรเลยเราเท่ากันหมดเกิดมาได้กล่องขนกล่องกล่องนึ่งพอเปิดมาแล้วเนี่ยใช้พอยังเสียชีวิตเนี่ย มนุษย์ก็จะเป็นอีแบบหนึง่งผมก็ลึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้ครับทําให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวทําให้เกิดประวัติศาสตร์อย่างที่เป็นในปัจจุบันนะกูอ่านเล่าสั้นๆครับว่าอาลัลลอฮ์นั้นขบีรอนบอซีรอทราบดีครับกําหนดให้เป็นแบบนี้แล้วก็เห็นแจ้งในสิ่งที่บ่าวสมควรได้แล้วก็กําหนดให้เป็นแบบนั้นนะครับฝากกับพี่น้องนะอย่าลืมนะครับญาติทํา ด, ดีคนจนในทําดีด้วยนะครับแล้วก็คนเดินทาง สามอย่างนาอันนี้ว่วกันด้ครับก็ล้อสั่งมาประเด็นที่สองอยาใช้จ่ายเกินตัวพอบอกว่ายาโมบัตเด็ดเนี่ยเราก็ฟังว่าเออมุบัตเด็ดกิสรอบเนี่ยพูดให้ชัดๆพี่น้องหนี้สินนี่ยอย่าใเป็นหนี้เกินตัวส่งปัญหากับพี่น้องเนี่ยคนเป็นหนี้สินคนเป็นหนี้ไม่มีความสุขเขาหลับกันหมดแล้วเราเอาเมือกายหน้าพัสิ้นเดือนนี้จะเอาอยัางไงสิ้นเดือนหน้าจะเอาอยัางไง บาทีเราเป็นลูกหนี้พี่น้องครับเจ้าหนี้ก็ทวงมาสัญญากับเขาว่าจะจ่ายไม่มีจ่ายผิดสัญญาปัญหาประมาเรื่อยเลยเอ้าเชื่อถือไม่ได้โกรธเคืองกันมาทีทวงหนี้ใช้คำไม่สุภาพด่ากันอีกหนี้สินนะพี่น้องมันก่อให้เกิดปัญหาสังคมเต็มไปหมดนะจนกระทั่งค่าตัวตายปัจจุบันหนี้สินก็เยอะไม่ใช่ค่าตัวตายแล้วค่าเมียตายด้วยค่าลูกตายด้วยปัญหาเกิดขึ้นไปหมดก็อ่านปนามหนักเลยพี่น้องครับ เป็นพี่น้องใช้ตอนไม่จะเป็นพวกใช้ตอนไม่ได้เป็นสาวกใช้ตอนนะเป็นพี่น้องใช้ตอนนะแบบนี้เลยพี่น้องมันคนสายเลือดเดียวกันแบบนี้เลยนะครับให้ระวังเรืการใช้จ่ายโดยเฉพาะในภาวปะปัจจุบันอย่าระวังจนกระทั่งว่ากูอาจจะคําว่าบิดพอตัวเองนะอย่าจ่ายเกินไปใช้ให้พอดีพอดีของแต่ละคนก็ต่างกันผมกำหนดไม่ได้หรอกแต่พี่น้องทราบดีใช้ให้พอดีครับ เจาวันนี้ครับบิลาอิทาวฟิกวนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวามตุลลอฮิวะบรากาตุ